ทำกันน้อังแล้วนําไปปฏิบัติคัดกายวาจาใจตัวเองช่วยกันบอกช่วยคำสอนช่วยกันดูแลตัวเองให้มันคุ้มมีสติเป็นที่ตั้งมีสติเป็นเจ้าของกายเป็นเจ้าของติดใจ ทุกคนรับผิดชอบกายใจตนเองจะได้ปลอดภัยอยู่ด้วยกันด้วความสงบร่มงเยง็นถ้ามีสติเป็นเจ้าของแล้วก็มีความเพียรเรียกว่าพ้อมที่จะละความชั่วคว้อมที่จะทำความดีได้ทุกโอกาส เพราะสตินเหมือนพ่อเหมือนแม่ที่ดูแลลูกก พ, พ่อแม่ก็ต้องพรอมที่ติดูแลลูกให้รอดปลอดภัยอยู่เสมอบาปุริรจเจ้าเปรียบเทียบกับสตินี้เหมือนพ่อเหมือนแม่อุปการลักภณที่ฉุดแดีเราต้องสร้างต้องประกอบขึ้นมาให้มีให้มากที่จะคุ้มกอดใจของตนได้ ้าสติไม่มากก็คุ้มครองไม่ได้อกุศลรดธรรมก็เข้ามาคองแทนดึงกายไปทำความผิดดึงใจไปทำความผิดได้อะไรเกิดขึ้นพอใจไม่พอใจมันดึงไปแล้วจึงถนด อ, อกงถ้ามีสติจะถวนด อ, อกมา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 ที่เป็นบาปตั้งกรรมมาเกิดจากจิตใจนี้ก่อนหัวเจตนาหังพิโกเวใจเป็นใหญ่ใจเป็นหัวหน้าสําเร็จอยู่ที่ใจถ้าหลงก็ผิดไปแล้วถ้าทุกข์ก็ผิดไปแล้วถ้าพอใจก็ผิดไปแล้วถ้าไม่พอใจก็ผิดไปแล้วอย่าดื้อด้านกันตรงนี้ ดูดีๆนง่ยแยบคลายดีๆอาศัยกรรมฐานเป็นปอบปาการตรวจดูอยู่เสมอข้าศึกมาทั้งใดจะได้ปราบค่าศึกเข้ามาทำลายกายใจไม่ได้ดับไม่มีสติีก็ อะไรก็ผ่านมาได้เหมือ น, นด่านที่บ้านถ้ามาไปหวานใค้ผ่านมาก็มีด่านตรวจโซกก็ทำให้ปลอดภัยแต่ปัจ น, นับนก็ยังทำให้เกิดการเสียหายตัดไม้อยู่ในป่าจนจะหมดแล้วเมื mm ่อ hmm. วาน เจอหนังก็จับได้ทั้งเจ็ดแปดท่อนต่างทั้งดไม่ใช่ของง่ายใส่กระเป๋าใส่อะไรก็ได้ทั้งจินยาบ้าต้องต่อรถลอกไปหนักก็หนักยังลอบลักไปได้จนลถไปแล้ว ก, ก็เจงพัฒนาไปทางเสื่อม หาวิธีที่จะเอาไอ้ได้ความชั่วหาวิธีทำให้สำเร็จได้สำบันไดยืดกายยืดใจแล้วก็ทำความชั่วได้สำเร็จเกิดทุกข์เกิดโทษเดือดร้อนเราจึงมีจิตติเป็นป้อมบาการตรวจสอบอยู่เสมอ ทุกคนดูแลตัวเองไม่เหมือนกับป้อมยามตำรวจชาวบ้านที่ตั้งด่านตรวจอันนัน้นไม่เพียงพอถ้าไม่ดูแลการใจของตอนเองแล้วก็ไม่สำเร็จผู้ที่รักขโมยแลย้วก็พยายามเครื่องมือการทำ โจะละ ก, กมันดีทุกวันนี้ครับพัฒนาสัญญาเสพติดมีทุกรูปแบบทั้งดมทั้งอมทั้งกินทั้งทาก็ติดได้หมาทางกินก็ติดได้หัวทางกายก็ติดได้หมวทางจักราลปากก็ติดได้หมดมบูมทา มาทั้งหมดแล้วก็ในความสำเร็จพวกปัญญาเขี้กคิดจะทําก่องชั่วได้สําเร็จแล้วก็จะอาศัยตอนอื่นมันก็ไปไม่รอดคนไทยเราหกขีปนาวุธคนเนี้ย ทุกคนก็ดูแลตัวเองจะมอบภัยใค ร, ใ ค, รคนใด ค, คนหนึ่งดูแลกุ้งรองก็ไม่รอดปลอดภัยกรรมาฐานนี่ควบคุมในเยอะทุกคนจะเห็นอาการต่างๆที่เกิดขึ้นกับปากกับใจจะได้แจ้ไขเหวียวบขรุ้ายเป็นความดี เปียนความผิดเป็นความถูกได้มันไม่มีที่ลับถ้ามีสติเป็นหน้าลอบผู้มีสติเป็นหน้าลอบไม่เผลอหัดอยงนี้ให้มีสติเป็นในกายเป็นประจำปาญหาเบื้องต้นเอาใจเก่าจะดีตั้ง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 เหมือนชายภูมิที่นักลุกพยึดได้ดีก็ย่อมจะใช้หน้าจ่าค่าสึกหลงที่ใดก็กลายเป็นลู่ทันทีปากได้แล้วปิดตรงไหนกลายเป็นทุกทันทีทุกตรงไหนกลายเป็นไม่ทุกทันทีถ้ามีเจติ ก็หัดกลับมาตั้งไปก่อนยังไม่เกิดปัญญา ก, าา ก, ก็กลับมาลู่ความลู่จุดตัวกลับมาลู่จุกตัวสุดก็กลับมาลู่จุกตัวทุกก็กลับมาลู่จุกตัวสงกก็กลับมาลู่จุกตัวพุะองค์างก็กลับมาลู่จุกตัว เป็นทุกเป็นโทษเลยกลับมารู้จักตัวอันนี้เราว่าฝึกหัดเบื้องต้นทุกท่างที่มันผิดก็ให้มันมีความรู้จักตัวซะรวมรู้จักตัวตัวนี้ตตายเป็นความก้าวหน้าไปหลายหลายอย่างแล้วความชั่วทำความดีจิตก็จะบริสุทธิ์ไปเอง เกิดปัญญาไปเองเกิดเป็นสินเกิดสมาธิเป็นปัญญาไปเองแล้วสินก็จะได้ช่วยกายช่วยใจสมาธิก็จะได้ช่วยกายช่วยใจปัญญาก็จะได้ช่วยกายช่วยใจนแหลงเพิ่มเป็นเครื่องทุนแหรงเกิดขึ้นมาง่ายเลยง่ายที่จะไม่หลงได้ อาจาจะสะดวกเหมือนถีบจั ก, กรยานขึ้นหมอขึ้นที่สูงเมื่อขึ้นที่สูงเลยแล้วก็ง่ายลงง่ายขาลงก็ลงง่ายขะดูขะเห็นเนี่ง่ายเห็นเนี่ยมันง่ายถ้าเป็นมันยากเหมือนขึ้นไปต้องทวนขึ้นไปจังก่อนเห็นน่ยไม่เป็นเนี่ยมันง่ายถ้าเป็นเรามันมันหนักจั่ว สุขก็เป็นสุขในเดี๋่ ว, วขึ้นขึ้นขึ้นไปยากทุกข์ก็เป็นทุกข์อย่ามันขึ้นไปจะไปละที่มันสุขมันทุกข์ลอที่มันโกรธมันหลงไปแล้วจนความคิดอย่างเนี้ยมันก็ติดานานแล้วสิบปียี่สิบปีสามสิบปีสี่สิบปีห้าสิบปีเกลื่อนคก็เปิดเพื่อนเลยหมด จิตเดิมแท้ไม่เข้าใจเห็นกันเห็นแต่จิตที่มันปนเพื่อนเป็นแล้วอลไรเกิดขึ้นว่าเราพอใจมันติดไปทางนั่นไม่พอใจมันติดไปทางนั่นจิตนะเมื่อได้เห็นไม่ได้รู้ความพอใจความว่าพอใจเอาไปใช้แล้วจิตนะเมื่อมีความพอใจไม่พอใจก็ไปล่กา ไปถึงทุกถึงโทษถึงาพพบกลุ่มต่างๆถอดออกมาทางนี้ใครก็ต้องช่วยใครไม่ได้ต้องช่วยตัวเองให้มากๆช่วยกันถ้าถ้านเปลี่ยนความหลงไปความไม่หลงแล้วก็กฎอนิสงส์มากมายจึงช่วยกัน บอกค่วยกันสอนก็ตรงนี้อ น, นี่ก็จะให้อาจารย์สนใจพูดชักหน่อยคนเจอก็เตือนลางลงคนหนุนก็ขึ้นหัดแทนจิตบันผู้หลุดของเราก็หายไปมากแล้วปีนี้ก็สมเด็จสังฆราเขาชิ้งไปชนไปแล้ว สองลูกพวเราก็ยังโดนยังน้อยก็ขึ้นมาช่วยกันตั้งนักบวชตั้งฆราวาสญาจมหรือว่าพุทธบริษัทพี่ลูกสองน้องลูกหนึ่งช่วยกัน